ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัดผู้รักษาตัต่ศีลบริสุทิขึ้นไปถึงเนถึงพระให้ให้นั่งให้นอนที่นั่งที่เหนือที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในการเป็นนุ่นและสังและสังดีนั้นท่านกลัวว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท เกินในการหลับนอนจนเกินไปยิ่งกว่าที่จะเกินในความภาคเพียนของตนพระองค์ทรงหาอุบายห้ามทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นทางที่เพิ่มพูนกิเลสทั้งหลายพยายามตัดหงทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผู้ปฏิบัติธรรมทัม้งทั่วไป ในบรรดาที่รักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดขึ้นไปมีหมายถึงศีลถ้หมายถึงธรรมก็ไม่มีธรรมข้อใดที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติมีความประมาทนอนใจมีแต่สอนให้มีสติให้ระมัดระวังให้มีความภาคเพียรความอุตส่าห์พยานเรียกว่าเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยปรากฏในบทใดาบารใดว่าพราะองค์สอนให้ลุนละความภาคเพียร ความอ่อนแอแม้แต่สอนฝ่ายคารวาะก็สอนด้วยความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นเราจะเห็นได้ท่านเส้นท่านสอนคารวาะในบทธรรมว่าอุทฐานสัมปทาเนี่ยถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอะเนี่ยรักขสัมปทา แสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วด้วยความชอบทำพยายามจะปลอมรอม น, อ น, นิตรแต่แค่สุริชุคันอรยานามิตรตาให้ระ ม, มัดระวังอยา่าคบให้คบเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่ดีงามเท่านั้นระวังพกปาปอมมิตรจะเป็นเหตุให้เสียได้นะเพราะคนเราเมื่อคบกับแฟนนานต่อมคมคืนเป็นไปในรอยเดียวกันได้ เป็นทั้งคนดีและคนชั่วมีเป็นไปได้ทั้งสองทางคือพวกคนชั่วก็วเป็นคนชั่วไปได้พบ ค, คนดีก็เป็นคนดีไปได้สมัชชีวิตตาใเรื่องชีวิตพอประมาณอย่าซุลูซุไลหรือกุ้งเฟอร์เหือมลืมเนื้อลื ม, ลมตัวการเก็บทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญให้รู้เหตุผลที่คนเก็บเหตุผลที่คนรก่ายนะเราฟังดีมีจุดไหน ที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนมีความลืมตัวไม่เพราะฉะ น, านั้นคำว่าประหยัดมัธยัติเป็นเป็นหลักประกันแห่งการคลองคีพของบุคคลทัว่วไปตลอดถึงผู้ปฏิบัติคือความไม่ลืมตัวจะมีมากมีน้อยให้มีความประหยัดมีความมัธยัตให้รู้จักวิธีใช้สอยให้เป็นความสุขบรรดาสมบัติหนึ่งทองมีมากมีมากน้อยอย่าให้เป็นค่าสึกแก่ตนเพราะความลืมตัวนั้นเลยนี่ เทศสอนคารวะต่สอนอย่างนี้แล้วเข้ากันได้ทั้งพระด้วยเพราะทำเป็นภาคทั่วไปแล้วจะยึดปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมขั้นใดหรือการหลีกใจหรือคู่ปฏิบัติในขั้นในไดได้ทั้งนั้ น, นเวลาสอนพระยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นให ม, มีความประมาทอุบายวิธีที่จะ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 สิ่งที่มีอยู่แล้วพยายามลื้อถอนออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามนะ่ะความพยันความอดความทนความเฉลียวฉลาดนะ่ะไม่นอนใจทั้งนั้นในอปันนกะปฏิปทาที่ท่านสอนไว้สําหรับผู้ปฏิบัติจะพ่ออย่างยิ่งคือสอนพระอปันนกะปฏกิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติโดยความสม่ําเสมอะ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 ก็พักได้แต่ระมัดระวังปิดประตูให้รักษามารยาในการพักนอนอท่านสอนใม่โดยแบบการปฏิบัติโดยส ม, ม่มเสมอเช่นนี้ชื่อว่าอรรยากาปฏิปทานพูดที่จะรีบเร่งยิ่งกว่านี้ในบางการนั่นเป็นยิ่งเป็นความทอบยิ่งขึ้นไปแต่ย่อนกว่านั้นท่านไม่ได้สอนว่าให้ย่อนกว่านี้ได้ยินแล้วอยากหลับอยากนอนเมื่อใดก็นอนอยากกินอยากขบอยากชันนะไันไปเถอะเลี้ยงไปเถื่อยัง เรื่องของถาดของขันเนี่ยเลี้ยงให้มีความอิ่มน้ําทําลรางให้บริบูรณ์ <c oughs> ท่านไม่ได้วะสําสคัญที่หล่อเลี้ยงจิตใจนำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความทุ่มเย็นการหล่อเลี้ยงจิตใจโดยอา้วยธรรมนี่มีความชุ่มเย็นจนกระทั่งถึงส่วนร่างกายก็มีความผาสุ่ไปด้วยแต่การหล่อเลี้ยงร่างกายโดยไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยนั่นมันก็ไม่ผิดอะไรก็เขาเลี้ยงหมูไวส้สาหรับขึ้นเคี่ยว <c oughs>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 จนได้ผลเป็นที่พอพไทยผลที่พูนเลยครับก็ถึงขั้นาศาสดาเมื่อได้ทรงประสบพบเห็นมาด้วยวามปฏิบัติหรืออุบายใดพระองค์ก็นำข้อปฏิบัติหรืออุบายนั้นๆมาสั่งสอนชาวโลกว่าเป็นการถูกต้องแน่นยัางไม่ผิดถ้าได้ปฏิบายได้ปฏิบัติตามแนวทางที่คาถาคตได้แสดงไว้แล้วนี้นะท่านจึงเรียกว่ามัชชิมา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 มาที่ตรงไหนมันโคดมันงอจะต้องถากให้มากเพื่อให้ตรงที่ไหนมันตรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องถากมากมาอะไรนะักนที่ไหนมันต่ําอยู่แล้วจะไปถากก็เสียนะเรื่องกิเลสก็เช่นเดียวกันบางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลสหรือบางเวลาของกิเลสที่แสดงออกมานี่มันหนักมากมันบุนแรงมากต้องใช้ความพยายามหรือใช้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 แล้วเป็นไปโดยลําดับกิเลสประเภทหยาบ ก, ก็ต้องใช้ามาัชชิมาแบบทันกันกับกิเลสประเภทนี้หรือเรียกว่ามาัชชิมาส่วนหยาบส่วนกลางก็ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เป็นไปตามนั้นพอให้กิเลสดุจลอยไปได้ด้วยข้อปฏิบัตินั้นๆท่านเรียกว่ามาัชชิมาสําหรับกิเลสขั้นนั้นอะอถึงขั้นละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดความเพียรก็ต้องละเอียดรานั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรไปหมด ไม่ว่าแต่เดินจงกรมแล้วถึงจะเรียกว่าความเพียนนั่งสมาธิอยู่ชิ้นก็เรียกความเพียนนั่งอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามไม่ว่าเอียบดตใดเว้นเสียแต่ลับเท่านั้นต้องเป็นความเพียนโดยตลอดไม่มีระยะใดที่จะไม่ทําความเพียนด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นหลักอัตโนมัติเกิดขึ้นอยู่กับตนเพื่อแก้ทีเลียดซึ่งมีอยู่ภายในจิตไปตลอดสายนี่เดียวกว่ามัชชิมาในขั้นละเอียดคือไหลซึมอยู่นั่นเช่นกับน้ําซับน้ํา ซึ่งน้ำซับน้ำคำไหลยืินอยู่นั้นทั้งแรงทั้งฝนไม่หือดไม่แห้งไม่มากไม่น้อยเสมอไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนกันการแก้กิเลประเพณนี้แก้ทังนั้นเป็นสติปัญญาที่ละเอียดพิณิพิจนะกันอย่างละเอียดภายในยรวมแล้วก็ไม่ท่านก็เรียกว่ามัชชิมะเราผู้นํำมาปฏิบตัต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 นี่แหละที่เราเสียเปรียบทิเลวเราเสียเปรียบที่ตรงนี้อุบาสิที่พูดขึ้นในแง่ใดก็ตามบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายแต่ก็เห็นใจสําหรับผู้พูดไม่ใช่พูดเจตนาที่จะตําหนิตนเองนะตำหนิศา ส, สนาตำเหน็ดตำหนิอัดตำหนิธรรมแต่เรื่องของกิเลสมันก็ต้องตําหนิอัตำหนิธรรเป็นธรรมดาสําหรับผู้นั้นไม่มีความรู้สึกว่ากิเลสพาตําหนิเยแล้วนั่งท่านั้นชั่วโมงท่านี้นาทีไม่เห็นได้เรื่องในลาอะไรแล้วทําไป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 ให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลําดับพึงคํานึงศาสนาธรรมคือคําสั่งสอนของพระเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพึงคํานึงถึงพระพุทธทเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาท่านเป็นบรมศาสดาได้เพราะเหตุใดได้เพราะความนับเวลามเวลาได้เพราะความเพราะถอยอ่อนแอได้เพราะความโง่เขลาบัญญาหรือได้เพราะความขยันหมั่นเพียร ได้เพราะความอดความทนได้เพราะเพราะความฉลาแลลพพดแหลมคมพระุทธเจ้าได้เป็นศาสด า, าแล้วข่าพิเลตตายไปโดยลําดับๆจนกระทั่งถึงขั้นาศาสด า, านั้นท่านฆ่าได้ด้วยวิธีใดท่านปราบพิเลสด้วยวิธีใดออด้วยความเพียรฟังคำว่าความเพียรไม่ถอยติดตามไม่เรื่อยๆิเลตไปไหนตามพิเลสความโลภเกิดขึ้นตามความโลภมันเกิดขึ้นเพราะเห็นอะไรตามทั้งไปทั้งทางหน้าที่มันไปโลภไปโลภอะไร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 ความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็ระงับดับลงเพราะเราย้อนเขมามาหาต้นตอมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องและเป็นจุดที่ทำลายได้นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงชำระอย่างนี้เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ท่านไม่นำมาคิดเพราะเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของจิเลสท่านเคยดูท่านเคยรู้มาเป็นเวลานานเห็นพิษของมาของมันเป็นมาเป็นเงา น, านท่านจึงต้องพยายามอย่างเต็มความสามารถทุกวิถีทาง จนกระทั่งได้เป็นศาสดาขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยความเป็นนักรคโดยอุบายสติปัญญาอันแหลมคมทันกับการแก้กิเลสหรือการาปรามกิเลสทั้งหลายให้หลุดลอยไปจากพระไถยกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานเราเป็นพวกเราเป็นสาวยาบุตรพุทธกินโนรสคือพุทธเป็นพุทธบริษัทเรียกว่าเป็นลูกต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้า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 ประเภทกิเลสที่กลัวนั้นกิเลสก็ต้องวิ่งเลยหรว่าไงสู้มเราไม่ได้มันก็วิ่งหนีอทั้งแต่เราสู้มันไม่ได้มันวิ่งหนีหรือว่าไงเราสู้ไม่ได้วิ่งหนียังไงก็วิ่งหนีจากทางยังกลมบ้างวิ่งหนีจากที่นั่ง ส, สมาธิภาวนาววิ่งหนีจากความภาคความเพียรคือการลดน้อยถอยกําลังตนลงไปโดยดําดับที่จะเป็นเหตุให้กิเลสไล่ตามนั่นแหละหรืออยากว่าวิ่งทั้งนั้นแหละสู้ไม่ได้ก็ถอยถอยถอย ถอยสักไรมันก็ยิ่งเหยียบย่ำทำลายกันไปเดิมลำเราอยากเข้าใจว่าถอยแล้วจับพ้นการถอยกิเลสไม่มีทางพ้นนอกจากการสู้เท่านั้นจะพ้นออกจากกิเลสอย่างอื่นเราวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดไปได้แต่การวิ่งหนีกิเลสนี้นั่นแหลคือการเอาคอเข้าไปสวมให้กิเลส ฟ, ฟ, ฟันเอาฟันเอาฟันเอาแหละไปหมดนี่เราจะหาทางใดเป็นทางออกวัดตะบนนี้เราเคยเกิดมากี่พวกรี่ชาติแล้วแม้เราจะจําไม่ได้ก็ตามเราถือหลักปัจจุบัน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 อันเป็นกงจักวัตจักรไม่ให้ขึ้นศูนย์ไปจากจิตใจก็ทําลายลงไปด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราเราอยากเข้าใจว่าสติปัญญาเราจะไม่มีมีอยู่ด้วยกันทุกคนความเพียรอยากเข้าใจว่าไม่มีถ้าเราจะทําให้มีมีได้ทั้งนั้นนอกจากที่เดชเป็นผู้กั้นกลางไม่มีความเพียรไม่มีสติปัญญาให้มีความอาดแผลเท่า น, นั้นเรื่องเหล่านี้เกิดจากทิเลชที่จะเป็นเครื่องกัก้นกลางทางเดินเพื่อความพอต้งเราไม่ใช่อันใดไม่ใช่อํานาจไม่ใช่วาสนา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 การจำชื่อจำหน้ากันทั้งนั้นละ่ะเช่นเดียวเรากับเราจำชื่อของเสือนั้นเสือนี้มีกี่ร้อยกี่พันเสือก็อตามที่มันก่อความวุ่นวาให้แก่บ้บานแก่เมืองเราจำชื่อมันได้ขนาดนั้นยังไม่แล้วเราจำจนกระทั่งถึงโคดแท่งขอมันก็ตามถ้าเรายังจับตัวไม่ได้เมื่อไรแล้วบ้านเมืองจะหาความสงบไม่ได้ก็คือเสือตัวที่จำชื่อได้นั้นนั้นนั่นแหลมันกอบความวุ่นวายให้แก่บ้านเมืองอยูน่นอกจากเราจับมันได้เสียแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้แล้ว ทนบ้านเมืองก็รับความสงบร่มเย็นอันตงกิเลสถนัดกิเลสพันหันหาร้อแดนอร้อยแปดพันแปดหมื่นแปดก็ตามเตอะถ้าเรานังจับตัวไม่ได้มาทําทนไม่ได้หรือทําลายไม่ได้แล้วเราจะจําได้แต่ชื่อนั้นซักเท่าไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเพราะการจําได้นั้นเลยเพราะนั้นเราต้องทําลายมันด้วยความภาคเปลี่ยนของเราให้ถึงความจริงของกิเลสกิเลสคําว่ากิเลสแต่ละประเภทนี่มันแสดงตัวอย่างไร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 ถ้าเกิดขึ้นเป็นทุกเวทนาภายในร่างกายเอาคนตายแล้วเวทนามีไหมเอาไปเผาไปมันว่างไงเฮ้ยฝังดินว่างไงมันไม่ได้ว่าไงแล้วทําไมจึงเป็นทุกเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็เพราะจิตนั่นแหละเป็นผู้รับรู้เพราะีิเหลียดนั่นแหละเป็นผู้กระซิเป็นผู้หลอกรวมให้ยึดมั่นถือมั่นให้สําคัญว่าเวทนาเป็นตนเป็นของตนให้ถือว่ากายเป็นเราเป็นของเราเมื่ออะไรมาก็ะุกกระเทือนสิ่งที่เรารักเราสงวนเราปักปันเก็บเวเอาไว้เราก็เกิดความกระตุกกรเทือนภายในจิตใจแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะกิเลสมันหลอกอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราแยกลงให้ถึงฐานของความจริงด้วยสติปัญญาจริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยรูป ก, ก็รู้กันแน่ ว, ว่ารูปเห็นตามความจริงในส่วนร่างกายนี้ทุกสัตทุกส่วนว่าเป็นความจริงล้ว น, วนด้วยปัญญาเห็นชัดเจนในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราส่วนใดก็ตามว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นสัญญาตัางขงามีญาณแต่ละอย่างอย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างอนอย่างแล้ว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 ขมูไทยเท่านั้นไม่เป็นอย่างเมื่อรู้นี่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนฮโลคบิทูรู้แจ้งโลกก็คือแจ้งธาตแจ้งขันแจ้รู้แจ้งปฏวจิตใจของคนนี่เท่านั้นเป็นสําคัญนี่แหละอุบายวิธีแก้ที่เลปราปรามที่เละให้ปราบปรามลงที่ตรงนี้อย่าไปลูบไปคลาที่อื่นๆรวมลงที่นี่หมดพา ร, รไกลปีดก็อยู่ที่นี่นี่ไกล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 คือความดับทุกข์เป็นฝ่ายสูงมากคือข้อปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสก็เป็นฝ่ายสูงเร า, าจะกด้ทราบตามความจริงของสัจธรรมทั้งสีนี้ประจักษ์ใจของเราและการพ้นจากกิเลสพอรู้รอดสัจธรรมทั้งสีนี้แล้วเราก็อยากจะพ้นด้วยความประจักษ์ใจของเราไม่อยากจะทราบอย่างอื่นอยากทราบเรื่องของเรานี่เท่านั้นเพราะเราเป็นกองทุกข์เราเป็นกองจกักเราเป็นผู้มืดนาสาโอด เราต้องการความฉลาดเราเราต้องการความแหลมคมพนันจิตใจของเราเราต้องการความหลุดพ้นเราโค้น ล, ลงมาที่นี่มันถูกปิดถูกบงังถูกปูกขุมมาอยู่ที่ตรงไหนแก้ลงด้วยสติปัญญาฟาดพันลงไปจนแหลกกระจายไม่มีอะไรเหลือถึงความจรงิงล้นล้วนนั้นแหละท่านเรียกว่าหลุดพ้นแล้วจากกิเลสซึ่งเคยเป็นนายเรามากี่กับอี ก, กันหรือเคยเป็นศาสตราจารย์ท่านสอนมาเป็นานานได้เห็นตัวของมันและถอดถอนมันไป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 แต่ผูทธเจ้าเมื่อถึงนี้แล้วไม่ต้องการอะไรอีกสาวกก็หลายพอใ ค, ใครก็พอเมื่อถึงขั้นเรียนวิชาความรู้ที่ถึงขั้นเพียงพอแล้วพอทั้งนั้นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ตลอดการพึงขอยิติธรรมเทศนาเพียงตอนนี้อันนี้ไม่เี็นหนักอะไรนะ